แกตนทั้งหลายแลมันก็มารวมอยู่ที่คุณพระรัตนไกลนี้แหละให้พึ่งพากันเข้าใจ <c oughs> <c oughs> ดังนั้นเน่เมื่อใจมันเคารพมันนับถือพระคุณทั้งหลายทั้งปวงดังกล่าวมานั่น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 ก็จึงชื่อว่าเป็นการเคารพต่อพระคุณทั้งหลายในอนุสติสิบน่นั่นแะนับแต่พุท ธ, ธานุสติเป็นต้นไปจนถึงอุปสมานุสติรู้แต่เป็นอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความสงบใจทั้งนั้นเลยผู้ที่ศึกษาเราเรียนก็ต้องรู้ได้แหละ ที่ในนโมโกวาตรนะอารมณ์ที่ควระลึกสิบประการนะนั่นแหละดังที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วนั่นนะอันนี้ก็เอามาย้ำอีกก็เพื่อที่จะให้ผู้ฟังลั้งหลายนั่นนะอย่าไปปล่อยจิตให้คิดไปในเรื่องสพเพเหละอันไม่เป็นประโยชน์นั่น ถึงอยู่ธรรมดาเราก็ต้องคิดถึงคุณพระพุทธเจ้าอมาเป็นอารมณ์อย่างนี้นะเนิ่ถึงพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาประวัติของพระองค์เป็นมายัางไงพระพุทธเจ้าเหตุที่พระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะพระองค์มีความพาเพียรสั่งสมบุญกุศลบารมีทําให้แก่กล้า บุญกุศลเหล่านั้นแหละเมื่อมันแก่กล้าเต็มที่แล้วมันก็กาจัดกิเลสตัณหาอาสวะน้อยใหญ่ทั้งหลายที่อยู่หมักดองอยู่ในจิตใจของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปนี่ในชั้นใดแม้เราถ้าหากว่าเรากระทำกุศลคุณงามความดีไปกิเลส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 คิดไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์ต้องรู้ว่าเรื่องใดไม่เป็นแก่นเป็นสารนะก็เตือนตนเข้าไปทันทีแอเรื่องนี้นะไม่เป็นประโยชน์อะไรนะคิดทำไมล่ะอย่างนี้นะอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นผู้รู้จักทวนกระแสะจิตนะคนที่เตือนตนไม่ได้นั้นแสดงว่าผู้นั้นไม่รู้จักทวนกระแสะจิต ดังนั้นมันจึงละอะไรก็ไม่ได้เลยมีแต่คิดส่งไปข้างนอกมีแต่ไปข้างหน้าเรื่อยไปไม่ถอยหลังคืนมาหามาหาต้นเดิมของกิเลสปาปธรรมหรือว่ามาหาต้นเดิมของบุญกุศลหรือมรรคผลนิพพานนะไม่ย้อนเข้ามาหาเลยมีแต่ส่งกับส่งไปเรื่อยอย่างนั้นนะ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 ก็จึงย้อนเข้ามาไอ้ขันห้านี่นะเป็นตัวเป็นตนตหรือไม่หรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อมันเห็นจริงโดยการพิจารณาอย่างว่านั้นแล้วมันก็ตอบตัวเองได้เลยแล้วว่าไม่ใช่ของเราพอเห็นแจ้งแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยไม่มีอะไรบังคับบัญชาได้เลย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 มีหูมาก็ไม่ต้องการอยากให้มันวิบตัติอยากให้ไม่ได้ยินเสียงชัดเจนอยู่เรื่อยไปอย่างนั้นมีจมูกมาก็ไม่ต้องการอยากจะให้มันช้ำรุดเพราะว่าจมูกนี่เมื่อมันช้ำรุดแล้วสูตรกลิ่นอะไรก็ไม่ค่อยรู้อะไม่ค่อยรู้กลิ่นเหล่านั้นชัดเจนเลยอ่ะเรื่อของสิ่งนี้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 ไม่ค่อยจะมีรถกลมกล่อมเท่าไรแล้วมีแต่จืดจืดซือดซ่อดๆืดดไปอย่างนั้นแหละนี่นะอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทางหลายก็เหมือนกันเนี่ยก็อยากให้มันได้สั์ได้ส่วนไม่อยากให้มันชำรุดสุดโทมไปอยากให้มันปกติเสมอไปอันนี้แหะเป็นความประสงค์ของจิตใจ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 เมื่อสิ่งใดมันปรากฏมาในทางตาทางหูเป็นต้นแล้วมันก็หน้าที่สัญญาจะต้องจําเลยดีก็ดีชั่วกว็ดีก็เป็นหน้าที่ของสัญญาจะต้องจํานั่นเลยมันก็บังคับไม่ได้ไม่ให้สัญญาไปจําสิ่งที่ชั่วรายย้ายต่างๆมันก็ไม่ได้สังขารเราจะห้ามไม่ให้มันดับไปก็ไม่ได้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 ที่มีวิญญาณครองก็ได้แก่มนุษย์และสัตว์ดิเรกชันที่ไม่มีจิตวิญญาณครองก็ได้แก่ต้นไม้ใบหญ้าหินกรวดทรายดินแม่น้ำอะไรหมุนี้แหละหมุนี่ไม่มีจิตครองอะ่ะอา้าวถ้าอย่างนั้นไอ้ต้นไม้นะ่ะมันมีแมงเข้าไป กัไปกินอยู่นั่นล่ะมันจะไม่ชื่อว่าไม่มีวิญ ญ, ญาณครองเหรือไม่ใช่อันนั้นก็สัตว์เรไรฉานนั้นนะไม่ใช่ไม่ใช่จิตวิ ญ, ญญาณของต้นไม้นะไอ้กรรมมันไปแต่งสัตว์ให้เกิดอาศัยอยู่ในต้นไม้นั้นต่างหากกมันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วอะ่ะแมลงตัวบุ้งตัวหนอนอ่าอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นจึงว่าแม่นม้ำมันเอาปลาแล้วมันก็ยังอาศัยอยู่นั้นเอากปรปลามันก็มีชื่อของมันอยู่แล้วเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นน่ะนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองเหล่านี้นะก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันมันก็ถูกปรุงแต่งขึ้นเหมือนกันเส้นหน้าฝนมาเาแม่น้ําลําคลองต่างก็ไหลนอง มากมายเพอฝนมันหลั่งลงมาแต่ท้องฟ้านุน่นคันถึงหน้าแรงมาฝนไม่ตกแล้วน้ำก็แห้งไปอย่างนี้แหละต้นไม้ใบหญ้าหมนี้นะเมื่อมันถึงละดูฝนมามันก็ได้รับปุ๋ยได้รับอุจกุอุธาทั้งสี่มันรองดองสามัคคีกันแล้ว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 หน้าฝนมาก็ใบปริใบเขียวชะอุ่มหน้าลื่นเดิงบันเทิงเอากันหน้าแรงมาแดดเผาเข้าไปก็เหลืองหน่อยหนึ่งก็คั่วเน่าก็หล่นลงสู่พื้นดินหมดเหลือแต่กิง่งต้นไม้บางชนิดอ่ะบางชนิดก็ผลัดกันหล่นไปเรื่อยๆแล้วมุมนี้นะตรงพี่นาะให้เกิดความสังเวชสิ เนี่ยสังขารทั้งหลายอ่ะทั้งภายในคืออัตนายภายในอัตภาพร่างกายนี่มันก็สุดโทมไปโดยลำดับอยู่เหมือนกับต้นไม้ใบายยาหญ้ามูนั่นแหละกระทงพี่นาให้มันรู้ทั้งภายนอกภายในทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งหยาบทั้งละเอียดอะไรนี่เมื่อรวมความลงแล้วว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นด้วยตาที่ได้ยินด้วยหูที่ได้สูดด้วยจมูกที่ได้รับด้วยรินที่ได้สัมผัสด้วยกายหมู่นี้นะร้วนแต่เป็นสังขารทั้งนั้นแหละให้เพง่อนฟังเข้าใจมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนใน่ามกลางก็แตกดับในที่สุด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 มีสภาวะเหมือนกันเลยเพราะถ้าเพ่งพิจารณาให้ถึงความจริงแล้วนะแต่ถ้าพิจารณาในแค่สมมุติบรญญัตินี่มันก็ก็ไม่เหมือนกันแหละมันก็แตกต่างกันไปสีสันวันนะอะไรต่ออะไรรูปร่างลักษณะสวดทรงแตกต่างกันไปจริงแหละแต่เมื่อเพ่งพิจารณาดูสภาวะแล้วเหมือนกันหมดเลยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมด แต่ว่าคนเรานี่ยน่ะอาศัยอวิชชาตันหามันย้อมใจ ม, มันมันมันดูดมันชักจงกิดใจนี่ให้หันเหไปในเรื่องรักเรื่องใครนู่นน่ะมันจึงไม่ยอมพิจารณาความจริงของสังขารทั้งภายนอกภายในทั้งที่มีวิญ ญ, ญาณครองและไม่มีวิญ ญ, ญาณครองเหล่าเนี้ย มันไม่ยอมพิจารณาในตัณหามันย้อมใจไว้อวิชามันสกัดไว้ไม่ให้คิดไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นไม่ให้สว่างในเรื่องนี้นั้นการที่จะถูกอวิชตาตัณหามันสกัดไปได้ก็เพราะว่าไม่ได้เจริญสมถะไม่ได้ทําใจให้สงบเรื่องมันนะหรือว่าเริ่มต้นมาก็ไม่ได้ สัมรวมในสีลไม่ได้รักษาสินให้บริสุทธิ์น้่นแหละมันมีแต่บาปครอบงำอยู่ในใจิตใจนี่ใจจึงมัวหมองอนะ่ะเมื่อใจมัวหมองแล้วมันจะพิจารณาอะไรเห็นเล่านั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติสามประการนี้พระศาสดาจึงได้แสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เพราะมันเกี่ยวเนื่องกัน ถ้าเราจะไปปฏิบัติแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ไม่สามารถที่จะละ ก, กิเลสบาปประทำได้ก็ต้องบาเพ็ญไปพร้อมๆกันไปเลยเอาความสำรวมในบาปปังกัดอยู่ น, น, นี้ศีลแบบนี้เมื่อสมาทานมั่นในศีลลงไปแล้วก็ไม่ล่วงเกิน อ, อย่างนี้แล้วก็มีสติสัมปชัญญะระมัดระวังอาการกายวาจาไม่ให้พลั้งเผลอ เนี่ยตั้งกิจเจตนาวิรัติละเว้นตลอดไปเลยอย่อนั่นแหละเ <c oughs> ช่นนั้นนะมันจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ไม่ล่วงในศินเมื่อไม่ล่วงในศินแล้วบาปอากุศลก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นความโกรธความโลภอะไรอย่างานี้นะมันก็เกิดไม่ได้ถ้ามั่นในศินแล้วนะ ความหลงที่ที่จะเผลอไปอทุบไปตีไปด่าไปว่าคนอื่นก็ไม่มีไม่หลงไม่เผลอเลยเนี่บางคนนะ่ะแหมมันละมืดแปดด้านขึ้นมาจนลืมตัวไปเลยมันถึงได้ตบได้ตีได้ฆ่าผู้อื่นอะไรทำนองนี้นะมีแต่ว่าอย่างนั้นแหละคนเราเนะ่ะเมื่อมัน ประมาทมาแล้วน ะ, ะมันเผลอไปมันมืดเลยลืมตัวไปเลยอันวอ่ามันก็ลืมสิตัวเองไม่ตั้งกิจเจตนาจะวิรัติละเวนน่ะไม่ได้ตั้งกิดไว้เลยนะถ้าได้ตั้งกิจเจตนาไว้ว่าเราจากไม่โกรธใครเราจากไม่โรบเอาสิ่งของของใครมาเป็นของตน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 เหตุอันนั้นทันทีเลยไม่ใส่ใจกับมันอ่ะเช่นนี้แล้วความโกรธมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าความโกรธมันก็มาจากเหตุคือการทำความไม่พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งนันนะอันนั้นเป็นมูลเหตุอ่ะที่ให้เกิดความโกรธอ่ะเห่นนี้ถ้าหาว่ามาห้ามจิตได้ทันแล้ว มันมันไม่โกรธแล้วบ้านี้อ่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันรู้จักเมื่อรู้จักแล้วตนสำรวมทนระวังตัวอยู่เนี่ยอบาปอากุศลต่างๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ใจก็ไม่มัวหมองแหละบัานี้นะกระผองใสนี่นั่นแหละเมื่อใจผ่องใสแล้วน้อมลงสู่ความสงบมันก็ลงง่ายบ้านี้ อมันไม่มีบาปมารบกวนใจอ่ะใจไม่ฟุ้งซ่านนี่ไอ้ที่ใจฟุ้งซ่านเนี่ยมันเรื่องของบาปนะให้พึงเข้าใจอะแต่แต่คนส่วนม า, นมากไม่รู้ทั่วดอกไม่รู้ว่าบาปมันมารบกวนตนให้จิตใจของตนคิดฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาถ้าหาว่าตนสาวทบทวน ดูให้ที่ทวนถึงจะรู้ได้ว่าอ๋อบาปชนิดนี้เนี่ยมันมารบกวนจิตใจของเราอย่างเงี้ยมันก็รู้ได้พอมันรู้ได้แล้วมันก็กำหนดกาหนดลาเหตุอันนั้นซะเมื่อเมื่อลาเหตุอันนั้นได้แล้วจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านต่อไปนี่เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นถึงอย่างไรผู้ปฏิบัติ ทำนี่นะต้องพยายามทําใจสงบให้ได้สงบแบบหนึ่งมันก็ใช้ไม่ได้นะแบบปล่อยให้ความง่วงครอบงําแล้วก็เคิมไปอยู่ยนั้นมันไม่คิดอะไรแล้วจิตใจอ่ะของขอ่ะความง่วงครอบงาํานี่อย่างนั้นมันใช้ไม่ได้ต้องสงบแบบมีสติรู้ตัวอยู่นี่นะนั่นแหละคือว่าจิต รู้จิตอยู่รู้ตัวว่าขณะนี้นะจิตไม่มีอารมณ์อะไรอ่ะปล่อยวางหมดแล้วอืจิตอิ่มจากอารมณ์ต่างๆแล้วอย่างงี้นะมันรู้ตัวอยู่อย่างเนี้แต่ไม่รับรู้เรื่องภายนอกเสียงต่างๆภายนอกไม่ใส่ใจ ใส่ใจแต่ตัวเองอย่างเดียวคือใส่ใจแต่จิตเท่านั้นแหละสตินั่นน่ะระลึกกําหนดรู้อยู่แต่จิตอย่างเดียวออย่างนี้นะถึงจะได้เป็นสัมมาส ม, มาธิแปลว่าตั้งจิตไว้ชอบได้อ่ ะ, ะท่านก็เรียกว่าปฐมฌานนั่นแหละไปถ้าเทียบกับฌานก็ดีปฐมฌานนี้เมื่อทําใจให้เป็นหนึ่งลงไปได้ พร้อมด้วยสติประคองอยู่นั่นแหละมันก็เป็นผสมฌานได้เลยแต่ว่าคนเราไม่สามารถที่จะบำเพ็ญให้บรรลุถึงซึ่งจตุสถานนู่นได้ถ้าผู้ใดบำเพ็ญฌานนี้เข้าไปจนบรรลุถึงจตุสถานได้มันก็เป็นสัมมาสมาธิได้โดยสมบูรณ์เลยอ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ได้ถึงวันนั้น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 ดังนั้นให้พากันใส่ใจให้มากการพิจารณาก็อย่างว่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ไม่นอกเหนือไปจากไตรรักษนยานนะอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆเลยพิจารณาอะไรก็ต้องให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาไปทุกอย่างเลยเพราะความจริงมันมีอย่างนั้นแท้ๆนี่ จะเป็นรูปต่างๆรูปร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่นี่ก็ตามจะเป็นรูปภายนอกรูปคนอื่นรูปสัตว์อื่นรูปต้นไม้ใบหญ้ารูปดินหินทรายกรวดรูปท้องฟ้าอากาศต่างๆรูปพระอาทิตย์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 ไม่ไม่ใช่ว่ากำหนดรู้อยู่เฉยๆอ่ะสอนจิตเข้าไปรูปทั้งหมดนี่นะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทำไมเราถึงไปหลงรักหลงใคร่แคล้กับว่าตนเองสอนตัวเองอย่างนี้นะทำไมจึงไปหลงเกลียดหลงชังทำไมจึงไปโกรธเพราะว่ารูปทั้งหมดนะัไม่ใช่ของเรานี่ เมื่อปัญญามันสอนจิตเข้าไปจิตก็รู้เห็นตามปัญญาสิปนีเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้ๆส่วนที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อหากว่าจิตนี้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันรู้เท่ารูปอันนั้นได้แล้วมันก็ไม่เห็นแจ้งในนามนี้ได้เลยเลย